เวลพูบอกนี่นะครึ๊ลมทั้งอีดีครับผมอ้าวลมทั้งนั้นมาเกียบปีเลยเนาะลมทังน้ดีกว่าเลมั้งน้นตอ้าวไปเ้งินลมทั้งอีดี่าอยู่แล้ไปกันเลยอย่นี้แหละไปก็งายจะดีแต่ยังแฉลงเขาบ้เนาะกูกู ใ้บ in. <le> <on> ้านใ้บ้านนกเสียงใหญ่มีไหมมีครับอาจรยใหญ่ขนาดไหนใหญ่ครับผมจะร้องให้ดูกันีคีคีคีคุนี่ถามว่านกเขากรือจอกับนกเสียงใหญ่หรือนกคีคีไห ที่ที่ทอ้อไปกันอยู่แล้วที่ไท้มาปลกขอ้ของเล่าคอนเหลอกนะมันไปค น, นเดียมหนึ่งไม่ได้นนบวมเลยไปก็อยากกินมะเทียบคุยบ้านพวยบ้านในหนานมีไหะมีครับบาสื้กั น, นเลยจะหาวัน สาบไปในบ้าดคือแต่ย so, ังน้อหน้อยนะฮะนานน้อยนิดใจนิดนานน่อยนิดใจนิดคุณในบ้านนี่ก็จะหัวโตใกล้ในพวกหองมันไปคนเรื่องี้วะอันนี้จะคือกันน่ะหลพอมาห้ามคนตอบปฏิวัต ก่อนฟ้าเลกันแค่ก่นภาษาของคนอะไรกันเี่ยต้องต้องมีกบรเห็นพี่นี่หนาหน่อยโมเคยแถวนี้เจอบาเกียบบาเกียบอยู่โเช้าในหน้านี่โเห็น ร่วมไปดดดีแล้วเหอนย่างงานนิหน่อยน่เพื่อนตัวใหญ่ๆน้อยๆเก็บใจนหัวตะไครสมาธิเต็นตัวแล้วไม่ได้เดียวกันอ่าพปรเทศต์ พวกนี้ก็พากันไปเตรียมไปแบ่งยาที่ปฏินะนนเนี่ยนั่นคิดไม่ให้แบ่งยาเป็นหนึ่งกล่องสองกล่องสามกล่องเอาสามกล่องก็ อ, อ่อนนอเนี่ยเอาสี่บอกเฮ้ยอาเก็บไอสีแบ่งเป็นกล่องสี่กล่องยา น, นั้นมั่งอันนี้มั่งอันนั้นใส่ใส่ใส่กกล่องถวายพะพ่อนพระป่าไปเรื่อย แบงแบงเด็กตะเขียนเลยวัดพึ่งเขาหลวงวัดป่าคนทองวัดป่าสัมเจตีวัดป่าวัดธรรมแสงเพ็ดสี แ, แหงเออหาแหงหลวงพออง่ออาจารย์จินดารี บางทีมันร้ายสายเข้ามากก่อนใส่มันเยอมากมันต้องมาสำเช็งเกตก่อนให้ไปปรับไปจัยที่นี่เป็นซ้ำมากยาเป็นตวายไปนน้ำโดยมากผู้เฒ่าเป็นยาบำรุงยาแก้อไอยาบำรุงยาหยอดตาใช่ไหมกล้องมึงเป็นพิเศษ มืออื่นอะไรจรงจริงอืมมืออื่นริงจริงแ่งการลดศัพบอ่ได้คำโปรมื่นีจังสจริงจับกันพับเราจะพอรเล่าเพระ่พวกที่คือการนั้นจ็จำเบ่ไหร่ี่แ่ที่จะไปไล่เชือชุดนึงมื่ก็ต้องไปออกพก่งจาดเขาไปสอกันถินไงโบอดีปอลิ่ก็ถขาไปทนเตียนพัดกันไป การสวดปฏิโมกขนี่มันกะเนียเนี่ยใส่บ่เคยดีกันไหนึงว่าปฏิโมกข์ใจหอนคนน่าปฏิโมกสวดปฏิโมกข์วัดเสียวย่ำสะยามใต้ขอดลเช่นยังตัวยังตัวเตใจดีๆสม่ำเสมอว่าไปนั่นขนาดมันนี่จุดจุดวัดบนเขาลงบนเขาหยุดน่ะอ้าบนตามจุดมัน จุดอีกย่างเด็ดเพื่อนจุดมหาภาคจุดกินดาภาคคนเนี่ยหาเบื้งนั่จุดมันนี่กี่ดอกพันไปสวดไปตามจุดตามจุดมันลงตามวักมันก็มี่พอหมายดีเบื้งออกสวดปัจจิโมกแยกสิไหวหลายมันบ่กมบดีมันขาดมันเคลื่อนสวดใจดีๆคนโมวาไวกี่ดอกเอามันพอชมพูน้มันชัดเก่งัตวา บนไหลมันมันวายากนะขันยามฮัดวายยู่ท่หันซะก่อนหัดไปซื้อไปปาดที่โมกในสวดซาซาแล้วกอนผู้ตรวจหม่จะมีไหมันสม่ำเสมอเนอี่ยคอยวาไปผูมีจิตผูมีพัดวาไปนํำจังหวะกันเลยว่าซาซาแล้วแวาจบเร็ว แบ บ, แน บ, นนบดยดแ่ก็ว่ซยที่เลนวนหนาววนหลังตัยช่วันที่วุนที่นี้ถ้าจะเขีอนออกจากที่ว่าเป็นเก็นนี้ป็นนกคือบว่วงเระโดดต้อกัน น, นั่งไปเหมือกันให้มันได้ไดรับดีๆจิตปฏิโมกข์่นเสียงปฏิโมกก็เป็นภูมิเสียงกองเ ส, ส, ส, สียงกังวานนักษณะสวดปฏิโมกเป็นวร์เป็นตอน พระปฏิโมกขึ้นสวดปฏิโมกต่องชำระหลางกายจะคล้องให้ดีต่องชำระฟันจะคล้องให้ดีให้งามจะพระงูเป็นเป็นทูกข์ดิละใส่ห้อยห้อยเป็นไหวยัวยยวยย้งอยตายหมดเลยต้องให้นาว่างต้องให้นาว่างต่องแปรงฟันแปร ง, ง, งยัมงมีใส่ปฏิโมกแสดงใครเจ้าจระสงฆ์เท่าไหรมันหนาตั้าเกียร มินเกินไปจหายได้ว่ามเป็นพาตายปกติยังหว่าเป็นยนูนทีก็ต้องให้จักสรุให้คิดอัไใหม่ได้แสดงปาจีโมกมันจะต้องให้พูอื่นตัเบืองให้กันผู้ันข้างนาเนี่ย จะคนเอายาซ่อ um งใสจางคนคนตัวให้คนขวดให้เยี่ยนบนห้าหนันเอาห่อนอะไรเราเยี่ยนคนที่บอกคนตัเฮ้ยคเองตัวแต่คนโมโหซะเอาถ้าว่าไปจ้งมันผิดนี่มันถือที่เดเ่านั้นสั่งใจว่าคนขอลองนสั่งดีๆแบบไหนคนตรวจให้ท่านให้เจริญแบบไหนคนนอนตัวไว้ให้วันไหวันน แยกกัเหลอนอ้เงี้คนไรมัน่นองคัดคล้องออพยายามย่ำตรงนั้นโมไรกร็ดีเองค้องให้มันเป็นภาษาหน่อไปอกง่ายให้มันต๊ะวักโตกตอนให้มันเป็นสะสวยอุก็เ ป, เป็นอุอูก็เ ป, เป็นอู ก็เป็นผ <siblings. S 1> ีชีก็เป็นผีผีขูก็เป็นผีขุ่ผีโคก็เป็นผีโคผีโผีโคยุว่ทววันมันก็เลี้วกันเนี่นจต้องตรวจไหมมันเรียนว่าแสดงประเด้งงงท่องได้แล้วอ่ะมันกอันนึ่งเนี่ยมันบเป็นบอกเพราเขารู้จักที่เด็แต่้งทำนองั้งวาดเขียงมันหน่ ม, มันบอกให้เป็นวัดสอนนะฮาต้องไปซ่อมอีกที่นึงมีสวดพริโมกเล็นเฮ้าคือคือดอกมันจะปวดในเทราสมาคมในี่กลางๆเท่านึงนบาเหรอเบามบาตอกกายต่างๆไม่นเล่นว่าสวดได้แต่ว่าไปดูดได้เงินพันนอ้อง ต้องวาสะสะผมค่อยบอกกับสองปฏิโมกเนี่ยยึดจิตของไหวของสะสะวาไปจะสายมันตกว่าตกสอนมันสาตะกอนยังไหวไหวตะกอนยังส่ามันโมุตลงโลดอืมันไหวสาตะกอนยังไหวยังได้ไหวตะกอนยังส่ามันส่าโมลายตัมตัมต่อบุร่เมืนไปหนาด้วยดวนไปด้วยสกร่ทน ตาผับอกหอดีกว่อดุนทั้งคุณเจส้สือสาอยเบิงมุตะมันกับวา่งครื่หัดมันดีเนี่คิดต้องเป็นอันนั้นว่าห้าทองไหลแดดวจังเสืไหลแดดมันก็ดีแว่าแตมื่ิวถาเห้าว่าเด็ไฟมันมีเที่ยว้มหูห้าวมาควมระตลาดมี คือกันแล้วก็ลที่อยู่วัดเขาอยูนในวันดใดกระสังครูบ า, าอาจารย์เขาเคย อ, อยู่ใดปฏิบัติอันใดไหว <c oughs> ครูบ า, าอาจารย์ผ้าธรรมาก <c oughs> นั่นค่ะจะไปอุปทานมันหมายจะเมื่อเกินขอบผิดจะไปเขาดแย้ของเรานี่ถูกของคนอื่นผิด แต่ว่าเขาจะต้องเอาไปภาวนาสุกยังอะไรเอาไปภาวนาที่เขาอยู่ร่วมกันสำคัญเขานี่กระเด็นมันไม่เท่ความรู้ค้นขนาดโมมีค้นมันต้องประสบประการดีที่สุด คืกการครอบจั่วครมจริงของเขานะสร้างกันหลายค้อจำตำลาเมาเทจจำผู้อื่น เ, เม้าว่นเมื่อกันไม่หนึ่งดีอยู่คือมันแต่มันเต่มันหว่ามันวุ่น่งแต่กับขวอจำคมข้อเราจำเนี่ยงมาใส่โบวเแมนสิทธิมอันใดที่เราเข้าใจในนอดในใจเขานะนั่นแหละบริสุทธสเหมัน อันนั้นมันเป็นทรำมะที่ลึกซึ้งซึ้งมากะนะแต่เพราะว่านี่ในใจเราถ้าเราสอนผู้อื่นให้เข้าใจคือเราสอนคือยังในใจเลยมันก็เข้าใจง่ายมันก็มีนี่อนุภาคมากมีคุณค่าราคามคากถ้ำค่อมเข้าใจลึกซึ้งแจ่มใสมากกวัวเราทีเรียนมากด้วยรู้มาก มันจ้างกันเนี่ยสัความรูเขาความฉลาดนี่สัตื่ัตว์เฮีว่าเฮ้อยู่หนีเฮ้ารู้แล้วก็อยากจะไปคิดกันสัคว์แต่้อมฉลาดเนาะโมมีควาอมฉลาดโมมี่ข้อมรูชื่อเนี่็เกยงว่ามันรูชื่อเนี่เนยมันมารอบมันมารอบรูถ้ามันเกิดความรอบรูขึ้นมามันเกิดความฉลาด มันรู้เฉยๆก็เดี๋ยวมันไม่รอบชาพดที่เจ้าท่านสอน่าให้รอบรู้รู้ไม่รอบมันก็ไม่ฉลาดนี่มันเป็นอย่างนี้นฉะนั้นท่านไม่ให้ยึดมั่นถือมันนเราไปที่ไหนก็าตามเ้าเขาทำถูกกับเราหรือเขาทำไม่ถูกกับเร า, เ, า, กก เ, ราเราก็ต้องดูอืม ดูไปปฏิบัติดูไปปฏิบัติไปพิจารณาอันนี้มันดีมากอย่างระบวชที่อยู่ในวัดเราศึกษานบุะชา่าอาจารย์สมิธํา น, นานประมาณ ถ, ถึง4ีรือ5าปีเป็นต้นนีนี่กล้องรู้ ดูในที่นี้แต่เราข้อมฉลาดยังหรือนี่เหน่อซึ่งห้าพรรษาแล้วหกพรรษาแล้วต้องค้นคว้าอีกไปนน่นไปนี่เที่ยวไปในสถานที่ต่างๆมันจะถูกก็จริงที่เราปฏิบัติตรงนี้มันไม่ถูกตรงนี้อันนั้นก็ไม่ต้องถือมันอืไม่ต้องถือมันให้มากให้รู้มันไม่ให้ยึดมันให้รู้มัน บางสำนักก็ปฏิบัติเหมือนกับเราบางสำนักก็ไม่ปฏิบัติเหมือนกับเรานี่มันเป็นอย่างนี้เหมือนกันกับอัดกับพยัญชนะอัดกับพยัญชนะคําที่ว่าอัดมันนั่นปฏิบตัตความหมายมันพยัญชนะมัน ก, ก็คือตัวหนังสือ นี่คนก็นเคยทะเลาะกันอย่าระยึดมั่นถือมั่นมันมากเกินไปก็ไป่ได้ <c oughs> ผมยกตัวอย่างง่ายๆเช่นเกลือเกลือเกลือมีพยายัญชนะมันก็าาถูก เกลือถ้าไปซื้อก็ไปซื้อเอาเกลือมามันก็ถูกตั้งอัดตั้งใส่ยัชนชนะอีกคนหนึ่งว่าไปอีกคนหนึ่งว่าเกลือเกลือคนที่คนที่รู้ว่าเป็นเกลือนี้ก็เรียกว่ารังเกยียจนี่ยไปเรียกว่าเกลือแต่อีกคนสองคนเนี่ไปซื้อเกลือมาเหอะอีคนที่เรียกว่าเกลือนี่ยมันจะไปซื้อเอาอะไรมา แต่มันจะเชื่อเกลือมากับเราก็ไม่ค่อยไม่มีอะไรมากนะนี่คืออาจมันตรงกันอย่างการปฏิบัติเหมือนกันบางแห่งเขาปฏิบัติจุบหนอของหนอวัดเราปฏิบัติอนาปานสติสังนดสมหายใจเข้าออกบางอย่างบางแห่งเขาเรียกภาวนาพุธโธพุถโธพุถโธอย่างนี้เป็นต้ น, นทุกอย่าง อันนี้เราจะไปมั่นหมายไม่ได้จะยึดถือไม่ไม่ได้ยึดหน่อคองหน้อนั้นมั่กระลมหายใจนั่นแหละทำใหนหายใจเข้าไปหายใจออกมันก็มายุบไม่คลองเราเข้ากำหนดตรงนั้นไอ้คนที่ยึดหน่อคองหน้อนี่อนาปาตัสีนี่ไม่ใช่ไวเลยไอ้ความจริงๆมั่งกระลมหายใจอันเดียวกันนะ่ะทําให้เรายุบให้เราคลองก็คือลมหายใจนั่นเอง เราไม่สมโนยยึดหอ่อคองหน่นยมหายใจเข้าออกมันงานเดียวกันนั่นคืออัดมันไม่ต้องแยงไม่ต้องเถียงใครวัปฏิบัติเป็นนี้ใบางแห่งเห็นนของเราไม่เอาต้องเอายึหนอ่อคองหน อ, ต, อต้องนมหายใจเข้าออกถึงจะถูกของคนอื่นผิดหมด ไปที่ไหนกูเดือดร้อนปฏิบัติอย่างนี้เดือดร้อนอไปที่ไหนต้องมาสบายให้เราภาวนาดูความหมายมันภาวนาให้พิจารณามันมันถูกทุกคนนั่นแหละมันผิดทุกคนนั่นแหะจะไปคิดเหตมันผิดมันก็ผิดไปคิดเหตมันถูกมันก็ถูก แล้วแต่เราเป็นสัมมาทิฏฐิถ้าเป็นสัมมาทิฏฐิแล้วมันก็ถูกทั้งหมดเลยเดี๋ยวเขาปฏิบัติภาวนาเพื่ออะไรดูอัดของเขาทั้งนั้นมาได้อยู่ในกลุ่มเราก็ได้เรียนความรู้ออกจากนี่ไปหาความเฉลาดยขึ้นมาเพิ่ม้าไปอีกทีนึ่งเป็นความรู้รอบ เป็นความสะาดรู้รอบถ้ารู้เฉยๆก็ไม่มีใครคุ้มครองความสะาดไม่มีมันก็ไม่มีใครคุ้มครองที่เรียกว่าสรามันก็เหมือนกันกับบุญกับกู้สนนี่มันก็ดทำนองนี้ ปฏิบัตินี้มมนก็เหมือนการให้ปฏิบัติให้ภาวนาืภาวนาอะไรอะไรที่จะมันมีความหมายที่จะมาให้แตกแยกกันนั่นเนี่ยมันเป็นธรรมะให้รวมกลุ่มจามาคีกันใครทําได้ขนาดนี้ก็ทําไปใครทําได้ขนาดนั้นก็ทําไป ความมุ่งหมายมันลงจุดเดียวกันอันนี้เหมือนกันเนี่ยจะเดินจะหาความรู้หาความฉลาดแต่ความรู้อันเดียวมันก็ดีเหมือนกันแต่ว่ามันมีหวานอันเดียวแต่ว่าหอมไม่มีมันไม่มีก็อย่างนั้น ถ้ามันมีหวานเนี่ยมันมีมันมีหอมด้วยเฉยมันก็เพิ่มคูนบริบูรณ์ขึ้นอีกทีหนึ่งถ้าเป็นอาหารก็ชวในเรากินก็ไปอีกถึงแม้ว่ามันจะอิ่มแล้วเป็นต้นมันมีหวานมันอิ่มแล้วเอามันมีสีเจียวหอมก็มาสฉยมันก็เป็นเหตุใหกินไปอิ๊วเอารสมันมาเพิ่มเข้าไปอีกมันก็จะกินไปอีกมันเป็นอย่างนั้นแต่ว่ามีแต่หวานเฉยๆก็มีแต่มันก็ดีอยู่ แต่ว่าสิ่งที่ดีคนนั้นยังมีดยมีความรู้คนมันันแต่ว่ายังมีดีคน น, นั้นคือความฉลาดอืพูดง่ายๆฮะจบประการที่จบประการที่เราเกิดมาเนี่ก็เป็นบางคนนะคนแก่มีอายุท่านเกิดมาก่อนเราท่านก็จบประการมามาก แล้เราไปจะเห็นเห็นว่าคนแก่ไม่ศึกษานี้ก็ไม่ได้นี่กันเลือกศึกษาของคนแก่ตามธรรมาชาติเขาเคยมีมาแล้วเขารู้จักเรารู้กว่าจริงแต่ประสบการณ์ น, น้อยเนี่ยมันก็ตางกันยังไม่จบ มีความรู้มีความฉลาดค <c oughs> ือผู้ที่เกิดมาก่อนมีปัญญาพิจารณาปร <c oughs> ะสบการณ์ในธรรมชาติต่างๆที่มันเกิดมาอยู่ที่ที่มันมีอยู่ในโลกเนี่ยอย่างนี้เป็นต้น <c oughs> มันก็ลำบากเหมือนกันนี ่ากว่าอย่างนี้ก่อนเคยนะเคยพูดกับหมอครั้งว่าที่เราเนี่ยมันเป็นตากอาหารแล้วใช่ไม่ได้เยี่ยวนี่ยแต่ว่าพระพุทธเจ้าเอามาทำยาอีกแล้วเนี่ยกลับมาเป็นยาอีกทีหนึ่งหมอนึ่ถือว่ามันเป็นของสุข ป, ปกเป็นของอะไรป็นไดไหลายอย่าง ม่ควรเอากลับมาใช้อีกรพระพุทธเจ้าเอากลับมาใช้อีกยิ่งเท่าไหร่อีกได้เนี่ยมันสะหรับซัดซ่อนอยู่อย่างนี้เรื่องของมันมันเป็นอย่างนี้อย่างหมออุทยใส่ว่าเอาคนหนึ่งมาตรวจ ด, ดูเป็นโรคมาเรงแน่นอนแล้วเลิกไล่กลกับบ้าน ไม่รักษาแล้วรักษาไม่หายเนี่ยไปเขาไปวันนอกเข้าไปรักษาหนิหายแ <c oughs> ม่รักษาไปมาก เ, เขาเอาอพวกไ อ, อ้ไอ้คนทุ่มมาทำดังมลลดให้หายม่ไทยเนี่ยสะบัดนาเลยมันก็ดูไม่ยากมันตัน คุณบาลีกาจะอยู่อันคันจรรันเน่นอันนี้มันโ น, โนูนึ้นหมดเดินทีสาเหมอโอไทยผักออกไปแล้วกำหนดวันไหนด้ยอยเสารอาทิตย์สองอาทิตย์ตายเป็นโด่งมาเลยไปถึงท่านอาจา ร, รย์จันตระมีผีมเฮสักด้วยนะนี่มีผีมเฮสั ก, นนมมกด้วยนะเขาก็เข้าตรงนะเพาว่า เอาเปรักษาคนนี้จะหายไหมหายหายในยากเลยยากอืมนะก็ไปเข้าก็บเขาไม่เขาทงลงมาเมื่อใดเขาก็ะทัาหน้ามนโผล่ใส่เอาน้ามนนี่กิน้าไปลดลงไปอีกไม่กี่วันหายจนไ้แต่งงานเลยหายมอโอไทยมาคิดตึงไมหอหมอโอไทยจะเกิดไม่เกิดความยึดมัน่นถือมั่นในตัวจนร้อ็ ม, มันจับซ้อมเยอะเกินสิ่งทั้งหลายเหล่านี้มันเป็นได้ไดหายได้แต่งงานเลยหมไทยว่าตายแล้วนี่ไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงนี่ก็เป็นเหตุให้หมอไม่ได้ประมาดทบทวนมาในพิจารณานี่มันก็แปลกเหมือนกันนะคนไม้โบราณเรานะใช้มีดมันถูก น้ำขาน้ำเท้าเราเนี่ยมีดเสียบจอบสับนี่ยพ่อแม่เราถ้ามันสับเลือดได้ให้เอาดินมายัดใส่เลยทุกวันเ้บาดวัยารวัยากรว่าได้ว่ได้่ได้เจ้ารักษาอืออะไส้แก่นี่เอาดินยัดใส่ไปหนี่คนแก่ลกนอยครัวันนี้กูเ่าหยนนน่ะอมรอุโมโรคนอ้มันเกลียิงเนี่ย ปปบูป็นวัดพญาดีไปเลยนะวันก็แปลกกันเลยนี่เอาดินยัดทั้งนั้นเลยพอไหมเฮาจะพอนีนี่เสียมจอบมันถูกขาเนี่เอาดินยัดนี่ยคือว่ายายานักเท่านี้เท่านีก็คีรินนล้วนะไทยแบบยัดเทีแห้งไปเลย น, ะนี่ทุกวันนี้ ในรู้มันจะเป็นยัไงไหเาไม่ทำกันสมัยนี้เองไปดูจีไอขาลายๆแบันี้เนี่ยเอาด็กมาสักกินเห็มันเลือดไหลอยู่กระทังวันนึงทุกวันมีเพราะนี้มันจะอาเจีกันไปใหญ่เลยสมัยก่อนมันมีอะไรแล้วเอาเด็กมาสักการสักเช็ดเลือดหรือจะทังวันหนึ่งมอแรงวันสอบเฮยเท้าอย่งั้น มันน่าจะเป็นเรื่องใหญ่โตมันกลับเป็นเรื่องเล็กก็ไม่ค่อยมีมาเห็นว่าคนสักขานี่มันเปื่อยมันพังมันตายมันเพื่อนี้ทุกวันนี้เอาสิน้ำหยอกทพีนเดียวก็ไปแล้หวาดมันจะยักไม่ได้ตายมันก็แบกนะมันอยู่ที่การ พีเจรณ า, าเราใ้ความผิดความถูกมันม่อยู่ซ้อนกันอยู่มันซ่อนกัน อ, อยี่ยังนั้นพระพุทธเจ้าแต่ยังไม่ให้ไปยึดมั่นถือมัน่นแต่ตันให้พิเจรณ า, าให้ภาวนา <c oughs> <c oughs> มันมีอยู่ในนั้นมันมีอยู่ <c oughs> ลูกชายลูกเคยก่อนหน <c oughs> เคยไปเป็นทหารเซนารัก ใช้แต่ยานอกมาหละที่นี่มาเย่ว่านเน่ามาปวดท้องอไย่างี้ปวดท้องทายบิดเอายายางเกามา ก, กินว่าไม่หายยังเกื่อเลยบุณย่าเนี่ยเป็นเป็นพ่อเนี่ยเมืองลูกมันรักษาทัว่วเดี๋ยวมันเป็นแผลกิ น, นของยาสีมากินกินยาแิหาไม่มาพาแชรหน้ามันกินเท้าสีาเป็นย่างขึก้ ไปกินยาหลวงนะมันก็หายากเฉื่อมันจะตายเ อ, อาไปสองมื่สามมืเขาบอกกินเนี่ยดูถูกมันเนี่ยมันจะตายอีกทีของมันกินให้เรามดก่อนนะวันนมันดีของเราแบบนี้ไม่ไปจับคันยกไปคันเยอะหายเต็มขนั่นลย พ่อมันโกงยังไงบะุะโะเขียนประมาะเทเอากลาดาษก็ประกาศว่าเขียนแน่เออมันเป็นยังไงมันแปลกอยู่ดวงมันคือมันแปลกยังอยงอย่าประมาทอย่าดูถูกอย่ามองนขาดอันนี้มันดีมันควรนะก่อนเรื่องข้ามภาพน้าอย่างเดียว ข้ามข้ามมาผ้าวันนาเนีน่ยต้นไม้ในของขังทั้งในในเบื้องที่จะไปเนี่ยกาะมีข้ามันมีเกาะเ ช, ออเชเ่เดิมมันในเบื้งเหตุไปมันถือได้เอาน่ะมันถืออืมมันนัมีเหตุมีคนเพรมันมีหลอกหันนะท่าบางทีเราคิดว่าไม่ถูกมันถูกก็มี บางที่เราคิดว่ามันถูกมันผิดมันพิษก็มีแต่ว่าคนเรามันชอบประมาทคิดในอยากยังนั้นคนจังเคยสอนว่าความรู้เนี่ยมันในอย่างความรู้อย่างความฉลาดมันอย่าง ถ้าเรื่อสองอย่างนี้มาปฏิบัติเข้าไปแล้วเขเรียกว่ามันไม่ได้ประวาติในความรู้ไม่ได้ชั้นสื่อนในความรู้สาเหตุผลมันเพียงพอแลยพอเชื่ อ, <ม>อปล่อยไว้วางไว้ท่านเรียกว่าการปฏิบัตินี้ทําดยการปล่อยวาง บางแห่งท่านก็บอให้ยึดมั่นคือให้ยึดมั่นในการปล่อยวางอะไรไม่ใช่ยึดมั่นในการยึดมั่นปฏิบัติให้มันยึดมั่นศีลยึดมั่นสมาธิยึดมั่นปัญญายึดมั่นคอปปะพืชปฏิบัติของเราคำที่ว่ายึดมั่นมันค่ยึดมั่นยึดมั่นในการปล่อยวางไม่ใช่ยึดมั่นในการยึดมั่น อันนี้ธรรมะมันเป็นเรื่องโคตรยาก ม, มันเป็นเรื่องโคตรยากยากย่าง น, นนะบ้างแหง่ทงท่านเขเรียกว่าไม่มีต้นบางแหง่ทงท่านเรียกพึ่งต้นอือย่างนี้ถ้าคนไม่ฉลาดต้องก่อค่อยเสียกันนึกว่าธรรมะมันยันกันได้คือท่านพูดตามการตามสมัยภาษาคำพูด ให้ยึดมั่นถือมั่นให้พึ่งตนเองตนนั่นก็คือธรรมะมีเห็นธรรมะตนเห็นธรรมะมันเป็นธรรมะก็ะเรียกว่าตนภาษา ง, ง่ายๆมันก็ง่ายเกินไปจนเราไม่รู้จักเช่นว่าพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเราในกรามจัดภัยได้จริง ถ้าทำก็เป็นที่พื่นของเรากําจัดไฟไต่ไดจริงถ้าสงก็เป็นที่พื่นของเรากําจัดไฟแต่จริงอันนี้มันเป็นความจริงแค่ว่าเราไปทำแล้วฉันมันมาช่วยกําจัดไฟให้เราอปฏิบัติฉันก็ปฏิบัติอยู่ไห้พระสวดมนต์อยู่ตุกวันฉันก็ทําอยู่ทําไมไม่มากําจัดไฟให้ฉัน ธรรมฉันกัปฏิบัติอยู่ทำไมมากําจกไฟให้ฉันถ้าสงฆ์ฉันกับพรสาวไปไหว้ฉันอยู่ทุกวันทาไมเลยทำแจดไฟให้ฉันนี่นกยตะโจพระพุทธรูปกนันเลยนะคุณนายคุณนายกิจกรอือี่ฉันาบไหว้ทุกวันทุกวันอืเอาอาหารมาบูชาหน่อยคนไม้แอปเปิ้ล น, นั้นอันนี้เอามาเหอะไอ้ฉันวันนี้มันทุกขนาดนี้ทําไมไม่ช่วยอีกฉันล่ะไป็นนางทะเลาะ ก, กับพระพุทธรูปเนี่ยอย่างนั้นไงนี่ความเป็นจริงกับพระพุทธก็คือพระธรรมแต่พระธรรมก็คือพระพุทธพระพุทธพระธรรมก็คือพระสงค์อะไรอย่างนี้ถ้าเราคิดให้มันถูกต้อง ตามธรรมะจะแล้วมันก่อนตามจัดไปจริงๆแต่เราไม่เห็นแล้วก็นั่งเฝ้าพระพธพระธรรมประสงค์อยู่นั่นแหละแต่วันไม่มันไม่ถึงเพราะอะไรเพาความไม่ฉลาดรอบรู้ในการกระทาของเรา ปฏิบัติให้มันถูกธรรมะโดยถูกต้องมากกวไม่มีเรียนก็ไม่มีภัยข็เพเชื่อพระพุทธเจ้าเมื่อถึงพระพุทธเจ้ามันก็าถึงพระสงฆ์เมื่อถึงพระสงฆ์ก็ถึงพระธรรมเมื่อถึงพระธรรมกว่าถึงพระพุทธมันอันเดียวกันจะทายังไงผู้ปฏิบาติางเขาเรียกพระสงฆ์ใช่ไมหรืิบาตเขาเรียกว่าธรรมะใช่ไูรู้บอกข้อปฏิบาตเขาเรียกว่าพระพุทธเจ้าใะนี่มันก็อันเดียวกันเท่านั้น ถ้ามันเห็นชัดจริงๆเลยมันไม่มันไม่ถอนต่อคนมันไม่ถอนการปฏิบัติธรรมเนี่ยมันดูได้นยแต่มันแต่ว่ามันมันเป็นเรื่องที่จะบอกกันให้มันรู้นะ รู้อยู่แต่ว่ามันไม่เห็นเห็นอยู่แต่ว่ามันไม่เป็นมันจึงใจอย่างนั้นใช่ไหมความเป็นจริงนั่นมันเป็นเพราะเราเนี่ยแหละเราปฏิบัติผิดเห็นผิดนั่นเองอย่างญาติโยมมาพากันสวดมนต์ววนนโอ้ยนึกหมดเลยต่อเนื่องไถึงพระพุทธพระธรรมระสงค์เนี่ย แต่เมื่อดูในทูปลักษณะแล้วยึดมันไม่เป็นแต่การสวดอย่างนี้มันเสียหายไม่เสียหายหรอกมันเป็นทางยึดอย่างนึ้อย่างนี้ทําใจอย่างที่เราสบายเห็นมันลูจ่จักแต่ว่ามันไม่ฉลาดพวกเราก็เหมือนกันที่ว่าปฏิบัตินี่ก็เหมือนกัน น, นั้อาศัยนัน่งสมาธิอาศัยการเดินชมกลมอาศัยการอะไรตัวอะไรหลายๆอย่าง มันก็กแค่วัดผูกะช่การกระทำถ้าเรามีบ้านหลังใหญ่แล้วก็สบายใจมีเงินหลายแล้วก็สบายใจอย่างนี้เป็นต้นมันสบายใจในบ้านหลังใหญ่เ ง, เงินมันหลายทางมาบ้านมันพังเงินมันหมดมันจะเป็นยังไง มันเป็นเรื่องอย่างนี้นะนั่นเรียกว่าคนมันติดวัตถุคนเห็นวัตถุอคนเห็นวัตถุมันเป็นวัตถุอแต่อันนี้มันเป็นวัตถุบูชาวัตถุแต่เราก็ไม่เห็นเมื่อเรา เราคือมันกันมันต้องเป็นอย่างนั้นถ้าเรามาปฏิบัติแม้วันนี้ไม่ได้สวดมนต์แม้วันนี้ไม่ได้รินจกรมแม้วันนี้ไม่ได้ไม่สบายใจแล้นี่นี่ซือมันอุปทานไม่สบายใจณคณะที่ปฏิบัติเป็นจริงแท้ๆน่ยมันไม่อาศัยการยืนการเดินการทุกทีรียบบทเลยมันเปรียบเพรมันอยู่อย่างนั้นมันอิน จะเดินจงกลมันก็อย่างนั้นจะนั่งสมาธิมันก็อย่างนั้นจะนอนมันก็อย่างนั้นมันเป็นของมันอยู่อย่างนั้นเนี่ยนี่มันเรื่องปฏิบัติจริงๆมันเป็นเรื่องิั่นเป็น่งต้องเป็นเ่งาก็ไม่ม่เป็นเดินจะ๊บมัน่สบายใจเนนั่งสมาธิ่สบายใจ่สบายใจก็เรียกว่าอันนั้นก็เรียกว่าถ้าเราพูดให้มันตรงไปตรงมาใช่แล้ว อันนั้นแหละเรียกว่าธีรปจักรปรมากนะเนื้อธีรปจักรปรมากไปครําในการยืนในการเดินในการนั่งในการนอนไปทำเรื่ในการปฏิบัตินีแหมคิดดีๆ DNA ดีๆเดินนั่นแหะเป็นธีรปจักรปรมาสตรงที่เราปฏิบัตินันเราเราไม่ดูจากว่ามันคิด พอความรู้เราไม่มีอย่างแท้จริงแล้วกระทั่งการทำสมาธิแต่ก็จะบายใจทำอย่างนี้ควรทำํทำมันควรทําเหมือนกันมันเป็นเบื้องแรกมันต้องคนทุกคนก็ต้องเป็นมาอย่างนี้นี่มจะข้ามไปทําโน้นเลยจิตมันเป็นอย่างนี้เที่ยวห่โทษจะของเที่ยวเสนอเสนอจะของนี่นวายอย่างไง เดียวเป็นสุขเดียวเป็นทุกข์เดียวดีเดียวร้ายอยู่อย่างนั้นแหละไม่ได้เป็นสุขแหละมันเป็นใจอย่างนั้นมี่ถ้าพูดขั้นปฏิบัติขมาชัดๆต่มันเป็นอย่างนี้ อ, อฉันปฏิบัติพุทโทธดีกว่าปฏิบัติทำโมดีกว่าพุทโธปฏิบัติสังโฆดีกว่าทำโมฉันทำนาปาสติดีกว่ายุบหนอพองหนอฉันทำยุบหน่อพองห น, นอดีกวานาปานสติ อย่ น, น, นี่ธิราประับประมาทตรงนั้นนี่อธิดาประาประมาทตง ร, ร, รตง น, นัมันเป็นรูปคล้ำอยู่เลยเนี่ยมันรูปเั็นคร้ำเมันรูปคล้ำข้อไปฏิบัติ รูปครามข้อปฏิบัติของเจ้าของในความไปจริงหน้าแลกษณะอย่างหน้าจะให้มันหมดอันนี้เพราะเราไปสงสัยมันเกิดขึ้นมาลักษณะมันเป็นอย่อยางนี้นี่ถ้าพูดเห็นชัดกมากมันก็มาถึงตรงนี้อีกอนนสักกายติถิวิจิจิชาสิระปตะร a มา แต่ว่ามันเป็นน้อยมันเป็นมากถ้าหากว่ามันมันมันที่ถูกทางมันเนี่ยชัดจิงมันรวมเขสิที <c oughs> เดล <c oughs> ลักษณะของคนปฏิบัติมันยากหรอกเรากํา <c oughs> กลังเรียนเรานั่งอยู่เฉยเฉยเรมันถูกเอายุงตายแล้วแต่ามาคิด บาปไ ม, ม่มน้อยิดนี่ไมีเจตนาเหมือนเส้นด้าอ่ะนางไปอีกพักห่คนไม่มีเจตนาคือเท่าไม่มีสตินั่นเองเนี่ยไม่รออับอบเนี่ยไล่เจ้าของจนเป็นอาวัตจนได้ละไหลไปเรื่อยๆไปอยูอยปย่ปัสสาจาสตินี่เนี่ยอนนึกวุ่นะนี่วุ่นเจ้าของเขาเขาจนได้ละ เป็นไปแสดงระบาดจนได้ที่นี่ลักษณะเดียวกันนะเราลักษณะเดียวกันนี่ถ้ามันเกิดคันขึ้นมาแล้วเก่าถูกยูนตายแล้วแไม่มีอะไรชนิดหนึ่งนี่มันไม่ก่อเรื่องขึ้นมาหรอกไม่มีก่อเรื่องอันนั้ไม่มีเจตนาไม่มีเจตนาก็ไม่มีสตินี่มันก็ไหลของเราไปเรื่อยๆบ่าวบ่าวไปมีหลักฐานประยาน นันก็อยู่ยากลําบากเสี่ยงเดียวเพราะบ้ฟังเไอ้คามันก็บวดมันเอาอย่างมันต่อตายไปเรื่อยเหนื่อยเหื่อยเหื่อย่เอายังี้แก้มันมันเอาอย่างนั้นเอายังนั้นเอาอย่างนั้นผิดนะเราเป็นวิปัสนามันเป็นวิปัสนูเอาทีมันก็เรียกเล่าอเดินไปเัรบางทีถูกมวดแต่เอาเป็นอาวัตแล้วอ้าวถูกแล้ว เดินไปเดินมาเราตั้งเป็นอบาตแเหยียบมดอ่าต้องไม่เห็ น, นไม่ทั้งดวมมันก็ไม่เห็นสิอ่าไปอีกไปตรงอะไรจังก็ไปตัาากกตบผมก็แสดงอาบาตแสดงวันตัววันตัววันคือผมว่าผ่ากไปเย็นจองเคลือสละายอยู่กับทางปัญญาไปทมเสร็จแล้วก็มานั่งภาวนาแ ม, ม่เราอาชีพสารจ้ออกชื่อไปไหมเนาะโอ้ยรวย <c oughs> สงสยยัยจะเอาอีก เออะหุ่นวายนี่มันเอาจนได้บริที่สองสามวันจะอะไ ร, ร, ร, ร, รตะกลูตะไรไม่ได้สบายแล้วมิตรเผาเจ้าของถึงนั้นมันไล่ออกได้สึกจนได้เดี๋ยวตอนผม อ, อยู่ในไรปฏิบัติไม่ได้มันดูความจะเสินไปที่ผมวานเนี่ยสึกไปจะแต่งงาน หากบขายอยู่ตลาดสบายเ น, ยนี่มีอวนไม่มีเนี่ย่มนมันอยู่อย่างนั้นมันอยู่ของมันได้มันทวงเรานะี่ยมันเดาเราหาเรื่องดิเมื่อนั้นก็มาค้นเจ้าของที่พ่อจันาวาเขาตรวจดูสินนี่นะตรวจไปตรวจไปตรวจไปเรื่อยๆร ย, รยไปก็ตรวจไปถึงนอนฝันก นเอากี้เคื่อนออกไปแล้วแมือไปจับมันนะอย่างนี้เป็นต้นแล้ยาการด้ยังไงสม้มจะกัหนักดหดม่กัหนัดดนกมมนยยนนแล้วแป้งเร่นไปงนอ่เะดไปอยู่ตามะถ้าถึเงมันอาจะตายมันลูกกลัมสลูกกรัมงปส่ลูกกรั่ ที่ดาบจปรามาดคันนึกว่าเราถือศีลพศอย่างนั้นอย่างนี้ก็นี่เองไม่ใช่ความยึดมั่นถือมั่นมันไม่บริสุทธิ์เลยไนั่งตรงไ้นก็เอาใจเรื่องจะให้เราตายนัยนะมาว่ากันมันมาให้โทษมันมาใส่โทษกับพญามาเอาอีกยิ่งกว่าเราจะพ้นภัยนี่ก็เดียวมันหมดเด็มันเนี่ยสารภัดอย่าง นักปฏิบัติชอบเป็นยงไงสงสัยเอ้านิดเยอะก็สงสัยจับติดจำเป็นต้องมองอยู่นี้ด้วยไ่ตรงไปตรงไหนที่อาจารย์เรื่มใอาจารย์เรื่มดูครับแกไปอยู่ที่ไหนแกมองอยู่ในบ้านในช่อง ไม่ดูใครแล้ว ม, มองเส้นทางแรกจะทางซ้ายทางขวาไม่ดูเรื่องไปวินตวาดจะมองมดูคนจะเห็นกันได้ว่าเคร่งขนาดหนักเมอง <c oughs> มันเคร่งขนาดหนักในความเป็นจริงปัญหาที่ตายมันมันไปมันไปใต้ตพื้นมันไม่ไปข้างบนมันไปข้างพื้น คนจะ่นมาเป็นบ้าเลยแนะ่มไปกัางคืนแล้วก็ไปสังเกตเอ๊ะพระโอ๋มีปฏิบัติหู่หมเราเห็นคนมันอยากรูมันโอ่ไม่ได้อะไรก็อยากฟังท่านเลเช่แต่มันออกออกไปทางหนึงไม่ออกไปทางนั้นออกไปทางเสียหายไปเลยอย่างนั้นนี่เป็นแบบหนึง่ง มันมีปัญญาปล่อยอารมณ์ให้มันสบายตามเรื่องมันแต่ ร, รู้มันอยู่ข้างใน อ, อ, อย่างขนาดว่าอยู่ในป่าฟเป็นนวัดแล้วจ้องแสดง เงินจะเป็นอาบัติแไม่มีใครแสดงอยู่ในป่าจะทำไงเนีย่ยก็ทุกอยู่แล้วแกนเปลี่ยนจิตตังสะพายบาตตรงเขามาแสดงอาบทัทิีกเ น, <c oughs> นี่ยเนวินัยมันเจ็ิงเงนท่าว่าพูดทำ ม, มา้าอะไรก็เอาผิดแล้ ว, ลวไปเลิกไม่ทํา ม, มันนี่มันรัดกันอย่างนี้เข็ดแล้วเห็นแล้ยวิวนัยไม่ได้ต้องไปแสดงต้องสะพายบาตร้องมาจากครูเขามามาแสดงอาบัติตาม นี่มันไปกันอย่างนี้มันสงสัยมันรูปกลั ม, มถ้าว่าเราผิดเราสังวรสังวรวมอย่าไปผิดผิดแล้วก็เรียกไปทิ้งให้อดีตนี่นี่คือธรรมะตัรรดเป็นแบบอย่างนี้เรื่องของธรรมอาจจะน้อยไป การเราทําไปเดีวเรื่องมันน้อยไปน้อยใส่เล็กๆน้อยไปเล็กน้อยแล้วก็มีพยานอีกเรืยเป็นพยานที่จิตของเจ้าของนั่นมีพยาน<ม>อีกไอ้ที่กว<ม>้องถืถูกก้องมันมีพยานในใจของมันในตัวมันนั่นแหละมันมีอยู่ในพองมันนั่นแหละเคยค่ายก่าวว่าตะตางเราในกระเป๋าเขาบอกตะตางเราหายแล้วดูของเรามันไม่หายนีอย่วัน แต่เขาว่ามันหายแล้วแต่ต่างขันหายเรามองหลวงไม่หายที่ไปพูดให้ใครฟังอ่ะเนี่ยขันมันผิดแล้วเขาว่ามันผิดแต่ามองหลวมไม่เห็นผิดเลยเพเราปล่อยมันคล้ผิดถูกเราก็ปล่อยขึ้นไปงี้ผิดไม่ถูกอยู่ดีในความจริงมันยึดผิดถือผิดมันไม่ถูกแล้วเนี่ยของเราหายเนี่ยเรามองหลวงมันไม่หายพยานมันมีอยู่ ที่ไม่เชื่อจะของอย่างนั้นปฏิบัติแต่ว่าเบื้องแรกต้องให้อายให้กลัวมากที่สุดจนใ้อยู่ยากกันหันไหนมันถึงจะค้ น, คนงั้นมันจะค้นใ่ค้นมันไม่ค่อยสนใจ เรื่องนี่ยมันเล็กลงเล็กลงมันน้อยลงร้อยลงนี่เรื่องเจิตใจของเราคนที่สบายเย็นเย็นใครว่าแรงก็ไม่ตื่นเต้นอย่างนั้นอย่างนี้ก็ไม่ตื่นเต้นเรื่งก็มือแม้ยาผมดีดีเรือเกินครับอย่งนี้นะดีครับยาผมดีมากเีเดียว ดีมากคมันด hey, okay, okay. okay, okay, okay, so ีมาเนี่ยถ้าเราปิบัติมันจะดีไปถึงแค่ไหนล่ะยาเนี่ยมันเป็นใจยังไนจ้ะมันดีไปถึงแค่ไหนตง้ร่างกายผมแข็งแรงอวดกล้ามมันแข็งแข็งแรงไปเจอเดี๋จะยุบอยู่วันนึงได้เนี่ยมันไปอย่างนี้ตอนนี้พยามอยู่ไม่กลัว มันไม่ตื่นเต้นในอารมณ์ต่างๆจะมันรู้จักทำไมไม่ได้อยู่อะไ ร, รก็พูดดูไปตามสภาพของเราเท่านั้นกพอพอสมัยก่อนผมปฏิบัติใหม่ๆนะโอ้ ย, อยกวัวเขาจะมาฟังธรรมนะถ้าเราสการ์มาฟังธรรมจะเทศุอะไรเขาฟังเนาะมันจะสมกับเขาเนาะคิดไปก็เป็นทุกข์นะจะเอาธรรมสูงสูงไหนมันฟังที่นี่นี่ มันปุ่งแต่งเสีหยห้หมดมมอย่างนี้เนี่ยอย่างนี้ไปมันตื่นเต้นแต่เราคิดเป็นสมดุลกับเราแล้วก็ไม่มีเรื่ององะไรไปเสียหายพูดแต่ก็ได้ไม่ได้ไปช่างหัวยึดอะไรไปเนี่ยแค่นี้ก็เอาแค่นั้นแก็พอแล้วมันก็่ได้สบายมันได้ปล่อยไม่วางไปนึนนกว่ามันใหญ่มันพองตัวขึ้นมาอีก ก็ปวดไปตามเดือยนะปวดความคิงกันไลยก่อนแรนั่งรถไปที่ไหนมาศึกษาหลวงพ่อทำไมข้าจึงโกนผมโกนเล่นแล้วก็โกนไปโกนเล่ น, นพูดอะไรไม่แมาใจกัว่าโกนเล่นเป็นโกนเล่นโกนนี้ผมมันหมด เขาไม่เป็นสาระประโยชน์นก็เป็นจิตใจเรานี่กับวิญญาณแตถ้ามันถ้ามันถ้ามันตกหลุมเข้ามันแล้วมันไม่เป็นอะไรมันจะเป็นอะไรก็ช่างเหมือนกันมันไม่มันไม่ตกวิญญาอะไรมากมายไม่ตื่นเต้นมันเรียกว่าถ้าไปคามันใม่รูปไม่คา อย่างท่านอาจารย์อุปชาผมโอ้ยคิดถึงที่ททตายขอให้บเสร็จนเอหยอีก ว, ว่าตายกองบอา์ยังานอย่างเงี้ไยไม่ได้ ต, ต, ตายคนตายเลยเป็นอ่เป็นเไปแต่งัไนไขิจกมันสบายขออย่างนั้นขออย่างเอาว่าขอเขานี่ไม่ต้องขอมันจะไปขออะไรมันเรื่องขอไม่ได้ไปขอม มันแก่เองมันยู่เป็นหน้าแก่พุทธานุปาเวนะด้วยอนุภาพีหยงกับรุทธสัพตมานุปาเวนะด้วยอุภาพแหยงกรบธรรมสัพสังการานุปาริณะด้วยอนุภาพแห่งกับสงนีอุภาพของประธรรมนี่ยเราทที่ม vale ันถูกเป็นอนุภาพเถินเราทาให้มันถูกเป็นอนุภาพของพระโพธิ์เถิน ปติบัตินี่มันถูกกับเป็นเนื้อคามของประสงค์กุฏาธรรมาสังคานุภาเวนะเรือเว่าอยู่ทั้งหกคนมันบอกเขาว่านี่มันจะเห็นความจริงของมันปติบัติแ่ก็องว่าแจ่าก่อนที่เหลกมันมาไปตามเรื่องนั่นแหละแ่มนถึงที่ตัวเอมันเป็นอย่างนี้ถ้าพธาโลภายอนุภามันก็โบเป็นอกครับพเป็นสะปสัมาโนภาามปัตสัมมันก็่บเป็น แค่ไ ส, สังขารเรื่องว่าไม่พอใจวันก็บม่เปลนาเว้บบคือเขาฝึกพะายามมันก็ไม่เปลี่ยนทางโคตรที่เขาโยหมเทียวนี้วะาต้องกินแกงต้ง <c oughs> นี่บอกเา่พอปัญญารมอืนี่เออม่เป็นยง ถว่าถึงประตาตาธถึงประตาตาธบุญเศร้าของประเทศเป็นธรรมดาน้ำเล็กน่อยมันหน่อยมันมหันยเพราะราปฏิวัติจนวัยมันตายชีวาตในเด็กมันจะเป็นโรคปพดคนก็มันจุฬาที่พอมตายตามบุถึงน่ะไม่ยังที่ตายบุถึงอยนตายคอร์รบอนี่มัจุฬาคือยังตามบถึงน่ะ เนคิดไปคิดไปถึงขันนาณาตาข้ามึงรู้มันบวมีอย่างไหนมาจุฬากับจุบมีกันอยู่ตัวข้ามมีของข้ามวิมีกันหมลยตัวข้าบริขารมาจุากบวมีกันนี่ที่ียงหว่างตัวเลยเนื้าขันบอยจัง ญา <c oughs> ่ิผู้ที่เห้าหน่งไก่พระพุทธประทับพระสงฆ์หรือว่านางวงจรพุทธประทับพระสง์านจริงค <c oughs> ณ ะ, ะกยังบคัดข้อจะรอกิดว่าโดบ่บโก่มคือบอกอบ อ, กบอกพุน่น <c oughs> อันนี้บุตรคัดข้อจะรอกว่าโบโก่ม ก็ทิ้งไอ้หมากินแน่มึงไม่แม่ไอ้หมากินจ้าหงอยจ้ากินจะขอเามันคิดอย่างไรจะรอขึ้นมาบ่บอกเลียงมึงเฮ้ยว่าจะได้บ้านนีเนดดนีไปหันซ้หันดดีไปนีมันแม่ของกอยลยนูดไปดมาอยู่อเียนีมันทงบู่้่ ผมก็ไม <mel od ic 00> ่เห็นจริงจังว่าโรเรียนอยู่มันจะเรีนจะว่าจะไหนนี่แหละเพน่มันยากจงัอือังาอยู่มัเพิ่ากแม่นิรอวันนึงดอัดน้วนีเ้อหอยขาดเอมันาริาายาดอเป็นแ่ นี่คือกี้ไม่ไป่จะบจ่งบอกว่ามันจัดเจนนะคนมันก็เห็นอยู่มันมันอดบรุร่แล้วมันแห้งอ่ะพยายามบันบาไรย